สวัสดีคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีความสนใจฟังไฟในการฟังในสิ่งเป็นสาระชาวจังหวัดนครนายกทุกๆ ท, ท่านก็ขอแสดงความยินดีนะที่ได้มาร่วมการสร้างความดีโดยเป็นการสร้างบุญบุญศนและแง่ของการให้แง่คิดให้กําลังใจเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนําเอาไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับทุกชีวิตจะต้องศึกษาแล้วก็นำเอาไปใชใ้เป็นประโยชน์นะอยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุขที่จริงเนี่ยเขาเอาความสุขมาล่ออะไรก็ตามที่มีเรื่องกับสุขๆเนี่ยคนก็จะสนใจถ้ามีความทุกข์นำหน้าเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากฟังอะมันแห้งแล้ง มก็มีเป็นคำตอบเป็นระยะระยะว่าจะอยู่อย่างไรก็จะยกตัวอย่างเร่าประสบการณ์นิดนึงเมื่อไม่นานมาเนียมีพระกุณเจ้าบินมาจากทางภาคใต้จังหวัดสงขลามาที่ชมรมเพื่อคุณธรรมเพื่อจะมาสนทนาธรรมกับผมที่ชมรมนะทงมาด้วยกันสามรูปท่านมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งคือถามแล้วเนี่ย ถ้าสามารถได้คำตอบทัน ท, ทีานถามว่าเราจะดับทุกข์ให้กับตัวเองได้อย่างไรคำถามย้อนนะอันนี้เป็นคำถามอยู่อย่างไรให้มีความสุขแต่ถ้าถามว่าเราจะดับทุกข์กับตัวเราได้อย่างไรทำยังไงเราจรึงจะสิ้นทุกข์ได้ถามาสั้นๆก็เลยตอบขนาดที่ถามนะท่านคุ่นคิดรอเวลาเลยทานาคคำตอบตรงนี้มานาน อ่านหนังสือฟังธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจมันมีเรื่องราวหลากหลายแต่ว่าสรุปลงไม่ได้เพราะก็เลยตอบส่า น, นว่าก็รู้ความจริงของชีวิตสิเพราะคุณเจ้าก็จะสิ้นทุกอ๋อท่านเปลี่ยนเลยสีหน้าท่านเปลี่ยนเลยจากความคุุนคิดการเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสอัตมาได้คำตอบแล้ว <c oughs> ก็อยู่แบบรู้ความจริงของตัวเราสิ เราก็จะพ้นทุกโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสุขเลยนะคือความพ้นทุกโดยสิ้นเชิงด้วยกันว่ารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงใจท่านเปลี่ยนจากทุกเป็นสุขขึ้นมาทันทีเลยว่าคำตอบเพียงแค่นี้ส่วนวิธีการนั้นเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนหนึ่งว่าวิธีการอย่างไรถึงจะรู้ความจริงของตัวเรานะเพราะนั้นเรา ต้องการจะแสแวงหาความสุขแต่เราลืมเอาความทุกข์ในใจออกเสียก่อนความทุกข์มันมีอยู่ในใจเราหาความสุขมามากแค่ไหนก็ตามสุขมันเข้าไม่ถึงใจหรอกทุกข์มันบางอยู่ <c oughs> จําเป็นต้องเอาทุกข์ออกเสก่อนเอาทุกข์ออกเสก่อนนี่ไม่ต้องหาความสุขพอทุกข์ออกไปแล้วเนี่ยสุขก็จะปรากฏในจิตใจไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากข้างนอกนะ เรามุ่งหาความสุขที่ต้องเกิดจากข้างนอกอย่างเดียวหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงหรอกสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากข้างในออกมาคราบกเป็นความเบิกบานใจหรือความผ่องใสนะไม่ต้องลงทุนมากเพียงแต่ว่าเอาของเสียออกซะแล้วเดี๋ยวของดีก็จะปรากฏอย่างที่สมมุติตัวอย่างนะอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ มีความป่วยไขย้โดยเฉพาะคนที่เป็นอมาาัมพาตไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนแบบอยู่บนเตียงตลอดเวลาเนี่ยถ้านอนนานๆมันก็จะเกิดแผลกดทับทเรียกว่าเบสซอแผลกดทับนี่มันเกิดมาจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกมันเริ่มเป็นเขียวคล้ำเพราะว่าเลือดมันเดินไม่ปกติ แล้วเกิดออกมาเป็นผู้พองข้างนอกเราจะรักษาข้างนอกเท่าไหร่ก็ตามแผลข้างนอกปิดเรียบร้อยแล้วแต่ข้างในมันยังกัดหนองอยู่มันจะหายได้ไหมแต่เป็นต้องรักษาข้างนอกแล้วก็คว้านเพื่อรักษาข้างในเปิดแผลข้างนอกรักษาข้างในพราะข้างในหายแล้วเนี่ยข้างนอกนีดอีกไม่ช้าเดินเลือมันก็ติดกันใช่ไหมเนี่ยความสุขก็เหมือนกัน เหมือนแผลเบสซอ์แล้วเอาความทุกข์ออกซนะแล้วก็ความสุขก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจเรานะเนี่ยจึงต้องว่าต้องรู้จักความจริงของตัวเราซะก่อนทุกจึงจะหมดออกไปจากจิตใจได้และเรื่องความสุขไม่ต้องพูดถึงมันเป็นความสุขที่ไม่มีคำพูดมันเป็นแค่ความรู้สึกเหนือความสุข โดยอาศัยจิตใจเราในสัมผัสเอาถ้าในสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรียกว่าสุขสงบเย็นสุขในนิพพานไปไกลนะแค่เอาทุกข์ออกนะั่นแหละสุขเกิดจากเป็นนิพพานไปเลยเลยเพราะนั้นสาคัญที่ว่าเราต้องเริ่มเข้าใจจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนจะคิดอย่างไรให้เรามีความสุขก่อน ต้องคิดก่อนแล้วค่อยอยู่พอคิดได้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีความสุขแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความสุขนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน <c oughs> เนแก่เริ่มต้นนะเราต้อตวาชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมารู้จักตัวเราเองให้อย่างถูกต้องมันจะจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้เราเข้าใจถึงสิ่งสิ่งที่เราธรรมดาของชีวิตหธรรมดาของชีวิตเนี่ย ก็คือไอ้ความเป็นธรรมชาติความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดานโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องความป่วยไข้ธรรมดาไหมความป่วยไข้ <c oughs> <c oughs> ของที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันต้องนานๆเกิดดีไอ้ที่เกิดบ่อยๆให้ก็บ่อยๆนี่ไม่ใช่เป็นของแปลกหรอกของธรรมดา อย่างคนมีสามขาหมามีเขาเต่าเต้นล็อกมันเป็นเรื่องผิดธรรมดาอันนี้คือของแปลกนะถ้าคนสองขาหมาไม่มีเขาเต่าคลานแล้วก่อนธรรมดาบางคนบอว่าแปลกจริงเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่นนนมันแปลกจริงของแปลกตั้นานมีทีมีบ่อยแล้วมันของธรรมดาเนี่ยถ้าเรารู้จักยอมรับความเป็นธรรมดาของตัวเราสับ้างเนี่ย ใจเราก็จะไม่มีทุกข์เหมือนกันนะเนีโอ้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาป่วยก็รักษาเมื่อรักษาแล้วไม่หายก็ต้อง ứng, ย้อนมันเป็นไปตามธรรมดาสุดท้ายมันจะตายก็ยอมตายตามธรรมดาชีวิตเราเลยอยู่กับธรรมดาคือการที่เป็นธรรมชาติใจก็จะไม่มีทุกข์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความจริงของชีวิตแล้วก็ยอมรับมันจะได้ยอมรับจะได้แล้วเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยสติปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกข์แม้ว่าร่างกายจิตสภาพใดก็ตามไอ้ น, นี่จรีงบอกว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขก็อยู่แบบรู้ความจริงของชีวิตคิดอย่างไรให้มีความสุขคิดให้ถูกตรงกับความเป็นจริงจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมดาไอ <c oughs> ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมันเรื่องธรรมดาไหมใกล้ๆตัวเราไอ้มาเนี่ย เดี๋ยวนี้โรคมะเร็งนี่เมื่อก่อนอยู่ไกลนะเดี๋ยวนี้มันใกล้มาทุกทีแล้วญาติของเราเพื่อนของเราต่อไปก็จะเป็นตัวเราเ <c oughs> ตรียมใจต้อนรับมะเร็งทางกายหรื อ, อยัง <c oughs> มะเร็งกายเนี่ยมันดีนะดีกว่ามันมายิงใจให้เป็นทุกข <c oughs> ์ <c oughs> ถ้าเรามองว่ามะเร็งนี่คือโรคธรรมดามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่โรคหรอก <c oughs> เป็นธรรมดาของชีวิตใครๆก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เหมือนกัน เพราะนั้นอ้เรป่วยทัง่าร่างกายเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากเลยไหนในนี้ใครไม่เคยป่วยทางกายบ้างและตอนนี้ใครป่วยกายและตอนนี้ใครไม่ป่วยใจไอ้เรื่องป่วยใครใน เ, ร, เรื่องธรรมดานะเพราะนั้นอย่ามองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นปัญหาจริงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขไม่ได้ ป่วยกายก็แก้ไขได้ป่วยใจก็แก้ไขได้ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจก็แก้ไขได้ทุกอย่างมันมีเหตุที่จะแก้ไขได้ทั้งนั้นที่ว่าผู้อยู่กับว่าเราจะรู้จักยอมรับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นกับตัวเรานี้มากน้อยแค่ไหนใครยอมรับได้มากใจก็ทุกน้อยลงใครไม่ยอมรับใจิตใจก็ทุกมากการยอมรับนี่ไม่ใช่ยอมแพ้หรือยอมจำทนยอมรับ และก็เข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขด้วยสติปัญญานันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะแก้ไขได้วิธีที่จะทำให้อยู่ให้มีความสุขเนี่ยจะแบ่งไปทักสาขั้นตอนขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักคิดรู้จักคิดให้จิตมันเป็นสุขรู้จักคิดให้จิตมันเป็นสุขเราจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามวิธีคิดเนี่ยสคัญมาก ความคิดเนี่ยทำมันช่วยแก้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นอย่างน้อยคิดให้มันมีความหวังคิดให้มีความหวังคิดให้มันมีทางออกถ้าคิดให้มีความหวังให้มีทางออกแล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจเดีย๋ยวน้อยเราก็มีกำลังใจเพื่อจะแก้ปัญหาแก้สถานการณ์ทางจิตให้มันดีขึ้นได้ถ้าเราคิดว่าโอ้ไม่มีแต่ความยุ่งยาก มันคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วคงจะล้มเหลวแล้วคิดอย่างเนี้ยมันจะมีความสุขได้อย่างไรทึ่เรียกว่าคิดบวกนะคิดบวกชีวิตก็บวกถ้าคิดลบชีวิตมันก็ลบมันก็จะแย่ลงซ้าเติมตัวเองวิธีคิดเนี่ย เ, เลือกได้ใช่ไหมเลือกให้มีความสุขโดยวิธีคิดก็ได้ความคิดบางอย่างคิดแล้วใจดีแต่ปัญหาอาจยังแก้ไขไม่ได้ แต่จิตใจน่ะมันถูกแก้ไขแล้วถูกไหมปัญหานี่มันแก้ไข ย, ยังไม่ได้แต่ใจถูกแก้ไขเน้นย้ำว่าเราเป็นคนจนเราก็จนต่อไปนะแต่วิธีคิดคือคิ ด, ค ด, คดไงโอเรื่องจนเนี่ยเรื่องเล็กไม่เป็นไรหรอกเราจะมีโอกาสหาใหม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเรามีต้นทุนดีกว่าเดิมอีกเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าติดกายก็ไม่มีตอนนี้เรามีเสื้อหนึ่งชุดแล้วกางเกงห่งชุดแล้ว คิดตอนนี้แง่ดีเนี่ยมใจเราก็สบายเพราะนั้นปัญหามันดีไม่ถูกแก้ไขโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นบางทีคุณหม อ, อยังไม่ได้รักษาหรือรักษายัางไม่หายต้องรอเวลาแต่ใจเราสามารถคิดว่าอ๋อไแม่เป็นไรหรอกไอความป่วยไข่เนี่ยเขามาสอนทำให้เราให้เรารู้จักว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรสิที่ผ่านมาเราควรจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราคิดไข้ครวญ ใจเราก็ดีนะดีกับเราไปคล่ำครวนใจเราก็แย่เน้น้อยปัญหาไม่ถูกแก้ไขความป่วยไข้ยังมีอยู่แต่ใจเราก็สามารถจะมีความสุขในท่ามกลางความป่วยไข้ได้อันนี้แค่วิธีคิดนะแต่วิธีคิดเนี่ยมันยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเจองหรอกคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้มาต้องมีการลงมือปฏิบัติเรียกว่าจะทาอย่างไร ให้ช so mm ีว hmm. so so ิตมีสุขอันนี้ต้องมีการกระทำและแค่คิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีการกระทำอย่างคำตอบเมื่อกี้เนี่ยผมยังจะให้มีความสุขคือทำความรู้จักความจริงของชีวิตให้รู้จักความจริงของชีวิตเอาจิตเนี่ยไปรู้ความจริงของชีวิตมันจะมีความสุขทุกข์ก็จะหายไปทำยังไงนะให้รู้จักความจริงของชีวิต ก็ต้องเฝ้าดูชีวิตเราต้องดูตัวเราเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเป็นคำคำเดียวกันหมายถึงว่าเอาจิตมารู้จักความจริงของชีวิตอันนี้แหละเราจะแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขคือการปฏิบัติธรรมจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมไปสักหน่อยหนึ่ง พอมีคนหาคนเบื่อก็จะเปลี่ยนเรื่องพูด <c oughs> มันมีประโยชน์สาหรับชีวิตเรานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องคนแก่ๆหรือคนสิ้นคิดเป็นเรื่องของคนทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเริ่มจากการรู้ความจริงของตัวเองก่อนเรียกว่าการเจริญสติให้มีสติ มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูกายดูใจของเราเพราะว่าปัญหาอยู่ไหนอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ปัญหาอยู่ที่จิตใจมันต้องดูตัวปัญหาความทุกข์เกาะกินกายเกาะกินใจเพราะเราไม่รู้ความจริงการปฏิบัติธ ร, รมือการเฝ้าดูกายเฝ้าดูใจตามความเป็นจริงเนี่ยกายเราดั้งอยู่ก็รู้สึก ตามดูตามรู้กายในเอียบทต่างๆให้ต่อนเนื่องการดูบ่อยๆจะเห็นว่าอ๋อกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกดูเป็นตําราแต่จิตหรือสติเป็นผู้ดูเป็นผู้ศึกษาตาําลาศึกษากายให้รู้ความจริงกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ดูบ่อยๆจะเห็นว่าอ๋อกายเนี่ยมีแต่การเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเสื่อม มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยมีร่างกายใครมีแต่ความสุขบ้างความสุขของกายไม่มีหรอกมันมีแต่ว่าความทุกข์บรรหายไปเราคิดว่ามันคือความสุขเป็นการแก้ทุกข์ของกายแล้วจึงเป็นสุขเฝ้าดูกายเฉย์ว่ากายส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ที่รู้จิตเป็นผู้ดูดูบ่อยๆจะเข้าใจว่าอ๋อนี่กายสัจธรรมกายนะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวคนเราเขาหรอก เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยก็จะเริ่มฉลาดเรื่องของกายจะไม่ยึดติดกายเลยเพราะเป็นการแยกระหว่างกายกับจิตเ <c oughs> นี่ยเริ่มการปฏิบัติแล้วเนี่ยเฝ้าดูตัวเรากายแสดงอะไรออกมากายแสดงทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนความหนาวมันเป็นทุกขของกายทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่ทุกขของจิต จิตเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบเราดูกายที่มันปวดมันเมื่อยหรือมันมีโรคไปแค่เจ็บบ่อยๆจะเห็นว่าออนั่นเหมือนเรากําลังดูคนอื่นที่กําลังปวดเมื่อยดูคนอื่นที่กําลังเป็นทุกข์ซึ่งไม่ใช่เราใช่ไหมมันแยกกายแยกจิตได้อย่างเนี้ยมันจะลาออกจากทุกข์ทางกายได้ตอนที่การเฝ้าดูกายจะเห็นทุกขเวทนาสักแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราขันใหญ่เป็นสักแต่ว่าเป็นเพียงแค่ สิ่งที่ไมให้เรารู้ทั้งนั้นจิตจะกลายเป็นผู้ดูความทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นทุกข์ต่างกันนะเป็นทุกข์ผู้เป็นทุกข์กับผู้เห็นทุกข์ต่างกันผู้เป็นทุกข์คือเข้าไปเป็นเจ้าของทุกข์เลยคือคนที่ไม่ได้สนใจศึกษาธรรมะแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะอ๋อทุกข์เป็นเรื่องของกายแต่จิตเป็นเพียงผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นนะ เหมือนคนอื่นที่เป็นทุกข์แต่เราไม่ได้เป็นแม้ว่ากายจะกระสรับกระส่ายแต่จิตก็ไม่กระสรับกระส่ายนะคนที่มีความทุกขเวทนามากต้องดูตรงนี้นะดูทุกขเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ต้องการให้มันหายหรือเมื่อเป็นแล้วอยากให้มันหายดูด้วจใจเป็นกลางจะเห็นว่าทุกข์คือส่วนทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตผู้ดูผู้รู้นั้นมันไม่เกิดไม่ดับแต่รู้ทัน ไม่เป็นทุกข์ไปกับกายด้วยปัญหาของความป่วยไขย้หรือทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีไม่มากหรอกปัญหาอยู่ที่จิตใจเราต่างหากเห็นไหมเพราะกายป่วยใจมันก็คิดใช่ไหมโอ้มันเวรกรรมอะไรของเราทำไมถึงต้องเป็นเราและป่วยแบบเนี้ยเราก็ต้องออกจากงานและใครจะดูแลลูกเราถ้ามันไม่หาจะทำอย่างไร มันจะตายจะทำอย่างไรมันกังวลไอ้ความป่วยทางกายไม่เท่าไหร่เลยแต่ความกังวลทางจิตเนี่ยมันรุนแรงมากถูกหถ้าใครสังเกตดูจะรู้ว่าทุกข์ของกายมันไม่เท่าไหร่หรอกทุกข์ของจิตที่มันปรุงแต่งในความวิตกกังวลความกลัวความเบื่อความเสงมันรุนแรงกว่าเรื่องของกายนะเจไหมทุกข์ของจิตเนี่ยมันรุนแรงมาก ถ้าว่าเรามีสติรู้ทันเราจะแยกระหว่างจิตกับความคิดความคิดปรุงแต่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่จิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้ไม่ได้ไปคิดด้วยมันแยกจิตออกจากความคิดได้ด้วยการเจริญสติให้ต่อเนื่องแบบเนี้ทุกกายจะหนักหนาแค่ไหนก็ตามถ้าจิตไม่ปรุงแต่งต่อเติม เราอยู่สภาพที่ทนได้เราจะทนได้ไอ้ที่ทนไม่ได้เพราะเราปรุงแต่งกายก็เจ็บใจก็ทุกข์ <c oughs> หมดเนื้อหมดตัวแบบความทุกข์เลยพระพุทธองค์ต้องบอกว่ามันถูกลูกศรนสองดอกเสียบเสียบกายกับเสียบใจแต่ถ้าเรามาเจรอสติเฝ้าดูอยู่ลูกศรเสียบเฉพาะร่างกายใจไม่ถูกเสียบ เสยบไม่ถูกเพราไม่ได้คิดปรุงแต่งต่างกันนะไหนใครใครเคยถูกฉีดยาบ้างอีตอนก่อนเขาจะฉีดยาเราเนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยกายเจ็บหรือใจเจ็บ <c oughs> โอ้ใจเจ็บไปไกลเลยมหมยังไม่ทันฉีดเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันปรุงแต่งโอ้มันคงจะอย่างนั้นมันคงจะเสียบเราถึงพลิกถึงขิงหน้าเลย แต่พอโดนฉีกเข้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเจ็บนิดเดียวมันไม่เจ็บด้วยบางคนบอกมันคันๆเหมือนมดกัดเนะี่ยทุบร่วงหน้าไปต้องลานแต่ว่าทุกกายไม่ต้องหลายเราเจ็บนิดเดียวแต่ทุกตะจิตที่มันปรุงแต่งใช่ไหมเขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ทุกฟรีๆเพรานะฉะนั้นสําคัญมากการเจารสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการให้รู้ความจริงของกายของจิตอ๋อกายเนี่ยมันสัรรมว่ากายนะ เรบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อป่วยไข้เราก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกใจก็จะสบายนะแม้โรคไม่หายใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจมันรู้ความจริงและยอมรับได้จะรู้เท่าทันจิตใจเราออใจเราเป็นทุกข์ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์แล้วก็จะมีความสุขสองอย่างถ้ายึดเราก็เป็นทุกข์ ถ้าปล่อยเราก็ไม่ทุกข์วางก็เบาเอาก็หนักเราเลือกเอาจะเอาหรือจะอาวางหรือบางทีก็เอาบางทีก็วางอขอยวางมากก็่เอานะวางก็เบาเอาก็หนักชีวิตเพราะนั้น <c oughs> เราอาศัยการจารสติในขณะป่วยไข้นีละสติเนี่ยสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ทุกทางกายสดิเอาชนะได้ เพราะสติเมื่อดูกายดูใจไม่จะเกิดปัญญามนดึงเอาปัญญามาใช้เห็นความจริงของกายของจิตซึ่งเราเคยยึดติดว่าเป็นของเราดูไปดูไปมันไม่ใช่ของเราซะแล้วก็ค่อยปล่อยวางนะนะนะ้โรคไม่หายใจก็ไม่เป็นทุกข์แม้ทุกทางกายจะหนักหน า, าแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีผลถึงด้านจิตใจหรอกอันนี้เป็นผลนะผลการปฏิบัติธรรม อย่างเมื่อวานเนี้ยขอเล่าสักหน่อยมีอดติธรรมท่านหนึง่งโทรัพท์มาจากจังหวัดเลยโทรเข้ามาหาผมเนี่ยก็บอกว่าเขาอายุห้าสบแล้วเขาเอรี่เพราะทำงานไม่ได้อายุห9าสาทำงานไม่ได้อยู่กับบ้านเป็นโรคพากินสันโรคพากินสันที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นมากกว่าคนปกติ ปวดศีรษะเครียดปวดกระบอกตาปวดหูปวดกรามนอนไม่หลับต้องไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยให้ยามาให้ยาอะไรรู้ไหมยาคลายเครียดให้นอนหลับตะพื้นตะพื้ <S <S หลับซะจะได้ไม่ปวดนะหมอช่วยทางกายได้นะมันก็หลับเหมือนกันพอตื่นมาก็ปวดเหมือนเดิม เป็นทุกข์มากนอนไม่หลับเครียดอยากฆ่าตัวตายแต่ก่อนตายขอปรึกษาก่อนเผื่อจะรอดโทรไปจังหวัดเลยนะเมื่อวานเนี่ยรับโทรั์ ป, ปับ๊บอกจะตายเลยยาเพิ่งเดี๋ยวยาเพิ่งยาเพิ่งตายเลยวันนี้ยาเพิ่งตายบอเอาไว้ก่อน <c oughs> คุยนิดก่อนบอกไหนมีปัญหาอะไรบอกเขาปวดมากปวดจนทุกข์มากแล้วไม่ยูจะแก้ปัญหาอย่างไนกินยาแล้ว มันก็ปวดมันปวดตรงไหนล่ะปวดที่ศีรษะปวดที่ตาบอกอาการปวดแล้วใจปวดไหมโอ้ใจปวดมากและนอนไม่หลับด้วยบอกไม่เป็นไรหรอกวิธีการแก้ปัญหาทุกทางกายที่รุนแรงอะ่ะง่ายนิดเดียวนะเคล็ดลับเราต้องรู้จักยอมรับขั้นแรกคือต้องยอมรับความป่วยไข้ก่อนไอ้ที่มันปวดกายแล้วใจปวดเพื่อเราไปต่อบ้านใช่ไหม ไปต่อต้านไม่อยากให้มันปวดอยากให้มันหายกินยาแล้วก็อยากให้มันหายยามันช่วยแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นต้องยอมรับมันบ้างสิอย่าไปต่อบต้านอย่าไปคัดค้านการยอมรับทางจิตเนี่ยเป็นการหารนะจิตที่ยอมรับได้เนี่ยมันหานกับทุกเวทนาทางกายหานไปต้องครึ่งนึงแล้วและที่เ้านอนไม่หลับทำอย่างไรก็ไม่เป็นไร นอนไม่หลับก็อย่าไปนอนดิ้นอยู่บนเตียงให้มันหลับมันจะอึดอัดลาคาญลุกมาเลยรู้ว่าทําอะไรเราก็มาปฏิบัติธรรมสิพราะเขบอกเขาเคยเป็นนักปฏิบัติธรรมมาเมื่อสาสิปีก่อนทํามาเมื่อ30สปีก่อ น, ออนแล้วดูว่าไม่เป็นไรก็เลยประมาทมาเรื่อยอีกสาสปีหลังนี่แบกแต่ความทุกข์บอกไม่เป็นไรหรอกพอจะลื้อฟื้นได้ไหมแทนที่จะ เรจิตมาอยู่กับทุกขเวทนาทางกายย้ายจิตไปดูอารมณ์ที่ไม่ใช่ทุกขเวทนาเลยคือทุกวันเนี่ยเขาเพ่งอยากให้มันหายอยากมันหายเวทนาทางกายที่รุนแรงแล้วใจอยากให้มันหายเท่ากับเอาความทุกขของกายใช่ไหมไอความอยากเป็นทุกขไหมอยากให้มันหายทุกขไหมมันก็อยากให้มันหายใจก็ทุกกายก็ทุก โรคมันจะหายเพราะเราอยากมันเป็นไปได้ไหมกายทุกข์หนักอยู่แล้วใจไปกดทับให้มันหายมันเป็นทุกซ้อนทุกดับมันทุก after ทุกมันมากมายเพราะนั้นเปลี่ยนจิตมันหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรกลับมารู้ที่ลมหายใจสิลมหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสอง หายใจเข้าออกนับสานับจนถึงสิบแล้วก็เริ่มต้นนับใหม่เปลี่ยนจิตมาสนใจกับลมหายใจซะอย่าไปสนใจกับร่างกายว่าจะหายไม่หายไปเรื่องของเขาและมันก็จะนอนหลับถ้ามันนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนวิธีคิดไปในแง่บวกไปเลยดีแล้วดีแล้วในหลังจะต้องอยากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วขอให้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหยดสุดท้าย เอาการนอนไม่หลับให้เป็นประโยชน์ลุกมาภาวนายันสว่างไปเลยทำจิตให้มันกล้าหารเห็นไหมเขาบอกขี้เกียจนั่นละผมควรตายจะหายเพราะเราคิดเอาไม่ได้หรอกลองต้องมีวิธีการปฏิบัติเห็นเปลี่ยนจิตมาอยู่ในใจหายใจไม่หับอาพุทโธหายใจเข้าพุทหาจอางคิดเรื่องพุทโธไวเอาจิตแขวนไว้ที่พุทโธเป็นอารมณ์บุญนะเห็นไ มันวางจากทุกเวทนามาจับฝ่ายผู้สนเลยรับรองถ้าเราท้าแบบนี้นะถ้าไม่หลับจะภาวนาให้สว่างเดี๋ยวมันก็หลับแล้วเอาจริงเขง้าก็จะหลับแล้วมันอุบายมากมายเพราะฉะนั้นให้เขาเปลี่ย น, นเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาหน้าวันนี้นะเขาฟังผลเขาไม่โทรมาเลยสงสยยัยจะไปสู่สุคติแนละ้วเขาฆ่าไม่ได้หรอกเพราะฟังน้ําเสียงแล้วไม่เห็นใจแต่รู้ว่าเขากลัวตายอยู่ให้เป็นไรนะ เนี่ยปัญหาเป็นแบบเนี้ยปัญหาทางกายแต่ใจเป็นทุกข์เพราะฉะเวลาใครก็ตามที่ป่วยไข้เนี่ยอย่าไปทอแท้ใจเอาการป่วยไข้เนี่ยมาเป็นครูสอนธรรมะเลยเราอาจจะบรรลุธรรมด้วยการป่วยไข้ของเราก็ได้อย่าดูถูกนะสมัยพุทธกาลน่มีพระรูกหนึ่งที่ว่าพระติสะเทละเป็นโลกผู้พองเต็มตัวเลยไม่มีใครสนใจ ผู้เจ้าต้องไปพยาบาลเองเปลี่ยนจีวรเอาจีวรมาซักแล้วก็ต้มจีวรแล้วก็อาบน้ําเช็ดเนื้อเช็ดตัวกับพระติสะเจระเอาน้ําอุ่นเอาน้ําอุ่นเช็ดตัวขณะเช็ดตัวนี่บุตรเจ้าก็สอนว่าแม้ร่างกายเธอจะกระสับกระสายแต่ใจเธอจะไม่กระสับกระสายมีกําลังใจไหมคือแม้ร่างกายจะกระับกระสาย แต่จิตใจเธอจะไม่กระสับกระส่ายแสดงว่ากายกับจิตนี่มันอันเดียวกันไหมไม่ใช่ทำหน้าที่ต่างกันกายมีหน้าที่กระสับกระสายใจมีหน้าที่รับรู้รับทราบไว้ไม่ได้เป็นแยกกายแยากจิตและพุทองค์ตัดสอนเป็นขั้นุดท้ายว่าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอจจิลังวัตยังกาโย ο, ปฏิเวงนิเสสติชุโตโธเปตวิญญาโนนิระถังวัฒลิงกะลัง อันนี้เป็นบทบางสกุลเป็นก็บอกว่ากายเนี้จักไม่นานหนอจะต้องถมทับแผ่นดินเมื่อจิตวิญญาณออกไปจากร่างกายแล้วร่างกายก็คือท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้พัติสระบรรลุธรรมเป็นอาหารทันทีในท่ามกลางความป่วยไขย่ได้ฟังพร้อมกันแล้วนะมีใครทำท่าจะเป็นอริยะบ้างกีนเพราะนั้นเราสามารถจะบรรลุธรรมได้ รู้จักสัาธรรมชีวิตได้ขณะที่เราป่วยไข้นี่แหละอย่าปฏิเสธมองการป่วยไขย้ความแก่ความตายในแง่ดีเสียบ้างเป็นครูสอนธรรมกับเราสอนธรรมมาให้เราเห็นไได้เรียนรู้สัสนาธรรมของชีวิตว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะบรรลุธรรมขนาดนั้นก็ได้อาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างตัวไหนนะผู้เองหนีด ชีวิตที่พิการมา30ปีกระทั่งวันนี้ตั้งเดี๋ยวเนี้ยอยู่มาได้เพราะอะไรร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตใจก็มีแต่ความผิดหวังมีแต่ความคิดคิดคิดถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเนี้ยป่วยต้องคิดจนเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้ฆ่าตัวตายจนอายแมวไปแล้วก็ได้ไอต้นป่านเนี้ยสามารถนั่งอยู่วันนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีวิธีการปฏิบัติ อาศัยการจิตสตินี่แหละเอาสตินำปัญญามาชนะทุกข์ทางจิตใจเนี่ยนอนจิตสติไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะไปฟุ้งซ่านแต่จิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวการอยู่ไม่อยู่แบบเป็นอยู่แบบผู้รู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตมีเครื่องอยู่คืออยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่ความรู้สึกตัวแทนที่จะหนีไปอยู่ความคิด เราไม่ไปเสียเวลาคิดมามากแล้วมาอยู่กับการจริติในชีวิตประจำวันกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้หายใจเข้าก็ให้รู้พลิกตัวก็ให้รู้เอากายเคลื่อนไหวมาเป็นเครื่องอยู่ให้สติรู้พอรู้ก า, บบายบ่อยๆก็รู้ความจริงอ๋อร่างกายนี่มันไม่ใช่เราจริงหรอกนะมันเป็นเรื่องของสังขารเรื่องของร่างกายอาศัยอยู่เฉยๆเดี๋ยวต่อไปก็แยกย้ายกันไปถ้าเห็นกายคือกายเห็นความพิการก็ส่วนพิการไป จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไรู้เ่าทันความคิดอ้อย้ความคิดต่างหากเป็นต้นตอความทุกข์ทั้งหลายคิดว่าไอ้ความพิการเป็นเราการป่วยไข้เป็นเราไอ้แก่ๆสับลังเขสนี่คือของเราเพราะไปคิดยึดมั่นว่าเป็นเราอ๋อรู้ทันเจ้าความคิดมันจะมาหลอกจิตเราไม่ได้อีกแล้วว่าล้อย่อความคิดตัวเองมันคิดปรุงแต่งไม่ได้หยุดทํางานทันทีเลยความคิดจิตก็เป็นสละ จากความมีการของกายอิสระจากความคิดปรุงแต่งอยากสิ่งนู้นไม่ชอบสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกรู้ทันกายรู้ทันจิตตามเป็นจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชามันไม่ได้มันก็ไม่ยืดให้เป็นทุกข์อีกแล้วใจมันไม่ทุกข์กายไม่หายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยการจลสติในชีวิตประจวัน มันอยู่ในวิสัยที่เราทุกคนทำได้นะทำได้ไหมเพราะว่าการเจริญสติในชีวิตจำบันเนี่อย่าว่าแต่คนป่วยไข้นะคนที่มีชีวิตธรรมดาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรักษาคนป่วยไขย้ก็สามารถเจริญสติได้เอาการงานมาปฏิบัติรรมเลยมองคนไข้เป็นครูสอนธรรมะซะเห็นไหมเนี่ย มองเห็นความเป็นธรรมดาของคนไข้ว่าอ๋อเนี่เขาเจ็บป่วยนะคนป่วยก็มีคนแก่ก็มีค น, มคนตายอะเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นเห็นสัจธรรมของชีวิตป้องการความประมาทต่อไปเราก็จะไม่ประมาทมีการเตรียมระวงังหลังจากที่คนไข้เ็าสอนธรรมะโดยการเป็นทุกข์ให้เราเห็นมองคนไข้เป็นเหมือนญาติของเราเราก็จะช่วยเหลือคนไข้ด้วยเต็มอกเต็มใจมันก็เป็นบุญ บุญทั้งใจเราแล้วเป็นบุญทั้งคนไข่ด้วยผู้ตรงแั่ว่ารักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตัวเราด้วยเราช่วยผู้อื่นจะช่วยตัวเราด้วยแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหานั่นคือเรื่องของงานเรื่องของใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ปัญหาเป็นเรื่องของงานความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตของใจปฏิบัติหน้าที่ไปก็อย่าลืมปฏิบัติใจเรา ทำงานอย่าลืมทำใจทำงานดีแล้วมีคนอื่นว่าเราไม่ดีเราลืมทำใจใจเราเป็นทุกข์แหละทำงานต้องทำใจไม่ทุกข์ด้วยไปงานปฏิบัติธรรมที่เป็นวิธีรัดที่สุดเลยงานจะยากงานจะลาบากงานจะยุ่ยยากแต่ใจไม่ทุกข์มีสติปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาด้วยความสนุกกับปัญหาเราสามารถปฏิบัติทําได้ในขณะทำหน้าที่ เราก็จะไม่เครียดนะการจิติไปกับการทำาที่เนี่ยจิตมันจะไม่เครียดมีแต่ความผ่อนคลายมาหลับสบายกินก็อร่อยนอนก็หลับท้องก็ไม่ผูกโอ้ชีวิตนี้พอแล้วนั่นล่ะคือสุขความสุขเกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นจิตที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นดีไหมมันต่างจากจิตที่รอให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เราต้องการให้ใครช่วยแล้วเราเนี่ยใจเราจะดิ้นรนแล้วทุกแล้วแล้วบอกเอาละมีเวลาจะช่วยเขาใจเรากระตื่นล้นเป็นสุขเป็นบุญด้วยนั่นแหละคือสุขจากการใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ทั้งใจเราแล้วก็ประโยชน์คนอื่นด้วยพราฉนั้นการเราสินชีวิตประจําวันเนี่ยทาให้ใจเราผ่อนคลายไม่เครียดนอนบสบายไม่มีจตอกังวลไม่กลัวสุขภาพจิต ด, ดีเมื่อสุขภาพจิต ด, ดีแล้ว ไอโ้โรคไข้บวัดสองหมืนเก้านี่ยมันเข้าไม่ถึงกายหรอกเพราะจิตมันป้องกันใช่ไม้มกายก็ดีจิตก็ดีชีวิตจะหาทุกข์มาจากที่ไหนล่ะ <c oughs> เรื่องที่ <c oughs> พวกเราได้แบกปันในวันนี้นี่ <c oughs> ในหัวข้อเรื่องจะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์จะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์อเ น, นี่ยอันนี้เป็นคําถาม และเป็นคำถามที่ไม่มีวันที่จะต้องพบคาตอบที่แท้จริงนอกจากการได้ลงมือปฏิบรรัติทมเราจะได้คำตอบชั่วคราวแต่รับรองว่าคำตอบนั้นจะไม่เข้าถึงจิตถึงใจเราได้เพียงแค่ได้คิดรู้ใครพูดอย่างไรเราก็เชื่ออันนี้ใช่อยู่แล้วไม่ทุกข์ใช่ทาอย่างนี้แต่เราไม่ได้สัมผัสรู้คิดรู้กับสัมผัสรู้เนี่ยต่างกันนะ ต่างกันไหมอย่างเมื่อกี้นาะยยกตัวอย่างเนี่ยเราจะถูกฉีดยาเราคิดรู้มันเจ็บแต่สัมผัสรู้เนี่ยมันไม่เจ็บที่เราคิดหรอกเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยต้องสัมผัสรู้จะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกเนี่ยมันมีคําตอบอยู่แล้วมีคําตอบถ้าเราลองปฏิบรรัติทำคือการเจริญสติมาดูตัวเราเนี่ยเราจะได้แต่คําตอบสัจธรรมไม่มีคําถาม แต่ทํามีแต่คําตอบคําเฉลยตลอดเวลาเลยคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจะพูดได้คําเดียวอ้อแล้ว ถ, ถึงบางอ้อมีสติรู้กายอ้ออย่างนั้นมีสติรู้จิตอ้อมันมีแต่คําตอบไม่มีถามว่าทําไมจึตเป็นอย่างนี้ทําไมเว้นกรรมแล้วเราทําไมทําไมคําว่าทําไมเนี่ยถามไปเถอะถ้าเกิดจนตายรับรองจะไม่ได้คําตอบ กับขาว่าทําไมก่อนจะตายลองถามว่าเกิดไปแล้วจะเกิดเป็นอะไรนั้นการปฏิบัติธรรมในมีแต่คําตอบเพราะฉะนั้นจะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกขจะอยู่อย่างไรให้ใจมีสุขมันมีลําดับของมันอยู่ว่าอยู่โดยวิธีการเริ่มจากวิธีคิดอยากให้ใจเป็นสุขต้องรู้จักคิดคิดให้ความหวังตัวเอง คิดให้มันมีหวังคิดหาทางออกคิดไปนในเชิงบวกเขาไว้ก่อนแค่คิดให้ใจเป็นสุขเนี่ยจิตมันก็เริ่มดีแล้วให้มันมีความหวังขึ้นมาบ้างเนี่ยวิธีคิดนะเป็นการแก้สถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นไปก่อนคิดอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องลงมือกระทําจะทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขต่อแ บ, บกกระปั้นทุกดินว่าทำความดี ทำประโยชน์ให้คนอื่นจิตที่คิดทำประโยชน์คนอื่นเนี่ยเป็นจิตที่มีความสุขจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดอยากจะได้คิดให้คิดแบ่งปันเราไม่มีสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเราก็ให้กาลังใจให้แง่คิดให้การยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยให้โอกาสให้เวลาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเขาใช่อยู่ยังมีความสุขคืออยู่เพื่อจะให้นะก็ยังไม่พ้นทุกคนที่ให้มากๆมีทุกไหมมีนะถ้าไม่รู้จักให้ตัวเองบ้างไม่ถึงว่าให้เขาแล้วบาดทีเขาบอกว่าโอ้ทำงานเอาหน้าทำดีเอาหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยต่อหน้าก็ทำดีเวลารับหลังก็เหมือนเดิม บางทีเจอคนที่เขาอาจจะคิดอคุโสเกินเราหรืออาจจะมองเราในแง่ล้ายพูดกระทบกระแทกแดดันเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคนที่ทำความดีแล้วใจเป็นทุกข์เนี่ยเพราะทำความดีแต่ไม่ได้ทำใจให้ดี <c oughs> นะช่วยเหลือแล้วดีแล้วแต่ใจต้องทำให้ดีด้วยมันจะถึงบุญเพราะนั้นแม้แต่การให้ใจก็ยังเป็นสุขได้แต่ว่าในสุขนั้นอาจจะมีทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จัก มีการรักษาจิตจักจัางใจเอาไว้เนี่จะทํำยังไงที่จะให้มีความสุขโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีทุกข์เลยคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละมารู้จักตัวเรารู้จักเรื่องของกายเรื่องใจเรื่องของโลกเรื่องของชีวิตให้รู้ความจริงซะแล้วได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหนอทําใจใจเราจะยอมรับได้แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ใจเราก็ยอมรับได้ ความสุขอะไรไม่เกินจากความสุขที่มารู้ความจริงของตัวเองหรอมาเป็นสุขที่แท้จริงนะสุขแท้ทางธรรมสุขด้วยปัญญาคือรู้ความจริงของตัวเองของโรคและก็ชีวิตแม้ว่าร่างกายจะมีความทุกมีปัญหามีความแก่ความเจ็บความจนมีความไม่แรงใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรความทุกข์ทั้งหลายมีไว้เพื่อให้เรารู้ความทุกข์ทางกาย มีไว้ให้เรารู้แต่ความทุกข์ทางจิตมีไว้ให้เราหลุดพ้นนะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทางกายได้หรอกเพราะกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่เราสามารถหลุดพ้นทางจิตได้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยหลุดพ้นละกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์โรคไม่หายใจไม่ทุกข์เราสามารถหลุดพ้นทางจิตได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะ เพราะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นไปได้อย่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะเป็นวิสัยที่ทุกคนทำได้แล้วก็ควรจะทำด้วยเพราะชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความไม่แน่นอนนะทำตรงนี้นะคือเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันคือการมีสติตามรู้กายตามรู้ใจเราให้ต่อเนื่องเราก็จะเกิดความรู้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปจะทุกข์กับเขาไม่เป็นอนะ เรื่องเรื่องเดียวกันนะแต่คนอื่นร้องไห้เสียใจแต่เราสามารถเป็นปกติได้นะเอาแล้วนะอันนี้ก็ขออวยพรกับทุกทุกท่านเนี่ยที่ได้รับฟังในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากกว่า น, น้อยนะก็จำเอาไปเป็นแง่คิดนะไมว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรในทุกทุกท่านจงมีความเจริญความผาสุกทั้งด้านกายและจิตใจแม้กายเป็นทุกแต่ใจไม่ทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด ตรงนี้มีคำถามอยู่ในมือแล้วสองคำถามนะคะคำถามแรกขอเรียนถามอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเสนอแนะวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กไทยไทยนะคะเด็กไทยของเราให้มากๆเลยอะคะ่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะวิธีการสร้างคุณธรรมอย่างไรอะคะ่ะตามคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเป็นสุภาษิตว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าใช่หม เดี๋เราจะสร้างเด็กวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ดีได้อย่างไรการให้เด็กมีจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยดีแล้วแต่เด็กเนี่ยไม่ได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะทุกวันเนี้ยผมไม่อยากโทษเด็กมากมายนักหรอกสังคมบีบคั้นสื่อต่างๆบีบคั้นอาศัยสัญชาตญาณเด็กเพื่อจะเอาประโยชน์ส่วนตัวสัญชาตญาณการกระตุน้นกระตุ้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียิ เรื่องความอยากเรื่องความแปลกใหม่ต่างๆพยายามสั่งสมให้เด็กมันจะได้เรียนรู้อะไรมากๆเกินความเป็นเด็กซึ่งเพศศึกษาเมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยเรียนนี่ต้องเรียนแมวก็ไม่เรียนนะเพศศึกษาแต่เด็กต้องเรียนคือสังคมเนี่ยกระตุ้นสัญญาณเถื่อนๆของเด็กนี้ให้มนันเติบโตเกินความจริง <c oughs> กระตั้งอาหารทุกอย่างแหะนะเพราะฉะนั้นถ้าใช่เด็กดีนะมันต้องเริ่จาก ภาวะแวดล้อมก่อนคุณพ่อคุณแม่จะต้องดีก่อนจะต้องมีคุณธรรมก่อนคุณพ่อกุณแม่ทะเลาะ ก, กันทุกวันเด็กก็เห็นทุกวันเด็กก็มองเออนี่เป็นธรรมดาเราต้องทะเลาะ ก, กันอย่างนี้แหละเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งแวดล้อมซะเด็กก็เลยไม่รู้สึกเป็นสองนี้แปลกใหม่คนใกล้ตัวต้องเริ่มดีก่อนอย่าไปมุ่งให้เด็กดีอย่างเดี ย, ดยวคนรอบตัวต้องดีก่อนอยากให้เขาดี ต้องทำดีให้เขาดูแล้วก็อย่าไปคาดหวังให้เขาดีเกินเด็กเพราะผู้ใหญ่มีความคิดก้าวไกลต้องดีแบบ น, นี้นะดีแล้วต้องเลี้ยงเก่งด้วยต้องเหนือเขาเนี่ยต้องฉลาดเอาตัวรอดได้แต่สิ่งที่แนะนําไปบางทีทําให้เด็กเนี่ยเสียนิสัยก็ได้เพราะฉะนั้นการสร้างคุณทําให้เด็กผู้ใหญ่ต้องทําก่อนแล้วก็ค่อยปลูกฝังเด็กอย่างน้อย ผู้ใหญ่ต้องมีศีลคำว่าศีลห้านี่ไปศีลความเป็นมนุษย์นะใครก็ตามที่ศีลห้าไม่ครบนนตยังไม่ใช่มนุษย์นะเป็นเพียงแค่คนคนก็คือสัตว์เลีัยงานที่อยู่ในภพภูมิเดียวกันเขาบอกว่าสัตว์กับคนเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สอย่างคือสัญชาตญาณการกินการนอนการเสพกามการกลัวภยัย ทั้งคนและแมวมีเหมือนกันหมดแต่คนจะเหนือสัตย์เดชานได้นะั้นต้องมีศีลห้าใครไม่มีศีลห้ายังเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ไม่ได้ยังไม่น่าไว้ใจอยู่ใกล้ๆอาจจะถูกทุบเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวผู้ทีเจ้าตัดเอาไว้ยกระดับจิตใจโดยการมีศีลห้าท่านเองจะเหนือสัตย์เดฉานศีลบางข้อแมวก็ไม่กินเหล้าแต่คนก็กิน จะไมคนเหนือแมวได้อย่างไรใช่ไหมเนี่ยเราต้องไม่กินเพราะฉะนั้นยกระดับจิตใจเพราะมีศีลห้าแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนรู้จักละอายชั่วกลัวบาปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระต่อสังคมมากมายที่ผู้ใหญ่จะทําดีให้เด็กดูแล้วเด็กก็จะอยากจะทําดีบ้างเท่าที่เขาจะดีได้ แต่อย่าคาดหวังว่าเมื่อเธอมีสิล์แล้วเธอเป็นเด็กเธอไปนิพพานก่อนเดี๋ยวแม่ไปทีหลังอย่าคาดหวังในความดีที่เราให้เด็กที่ปลูกฝังดีแล้วทาหน้าที่ปลูกฝังส่วนเด็กจะรับได้แค่ไหนนั้นต้องเข้าใจเขานะเนี่ยคนใกล้ตัวต้องทำดีก่อนนะแล้วเด็กก็จะดีเองค่ะขอบพระคุณค่ะก็อีกคำถามหนึ่งนะคะถามมาว่า ดิฉันทำงานอยู่กับคนพิการนะคะอยากรบกวนอาจารย์ช่วยหาคำพูดสั้นๆนะคะที่คนพิการฟังแล้วมีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะไม่เป็นไรหรอกชีวิตที่พิการแม้แต่ร่างกายพิการไม่เป็นไรเราอย่างสามารถหาความสุขได้ในความพิการเพราะว่าคนต้องการความสุขเนี่ยเราเอาความสุขมาเป็นเหยื่อไว้แม้ว่าการรับพิการเราก็สามารถาหาความสุขได้สัน้นๆนะ แต่จะจบเพียงแค่นี้แล้วเขาก็รอต่อไปบันสุบบรรจบายอย่างไรเราแนะนํำเขาต้องมีวิธีการออกชี้เหตุของปัญหาเราสามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทําใจให้สุขทําใจให้เป็นสุขคลิปที่ดีๆต้องหาทางออกมันอาจจะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะเราให้กําลังใจแต่จะสุขถาวรโดยที่ไม่ทุกมาแปะเปื้อนเลยลองสนใจธรรมะเลย ธรรมะเนี่ยสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความไม่ทุกข์ท่านเป็นคนพิการท่านมีความทุกข์มันมีสิ่งที่ไม่ทุกข์ได้เหมือนกันต่อสายการปฏิบัติธรรมธรรมะโอสถมันเป็นแพทย์ทางรอดทางจิตวิญญาณแพทย์แผนปัจจุบันบางทีทําให้เราหายทุกข์ไม่ได้แพทย์ทางเลือกก็เลือกได้แค่นั้นแต่แพทย์ทางรอดนี่มันมันพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงลองปฏิบัติธรรมที่ลองฟังธรรม ลองฟังทำลองคิดใคร่ควญตามธรรมะแล้วลองปฏิบัติทำรรดูน้นดูตัวอย่างคุณวีระเห็นไหมเขาทุกข์กับเราแค่ไหนเขาคิดฆ่าตัวตายทุกวันธีดาภรรยาด่าสามเวลาที่คิดฆ่าตัวตายฆ่าก่อนนอนตอนเดียวแต่เขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาสนใจธรรมะหันเหชีวิตมันสนใจธรรมะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหักจุดเถรแล้วเขาก็มีความสุขได้ซึ่งคนโป๊ติยัง สุขได้ไม่เท่าเขาก็มีนะทวนเนี่ยผมถามเขาก็บอกว่าอยากหายไหมบอกไม่อยากหายแนละ้วพิการอย่างเงี้ยมีความสุขกว่า <c oughs> เป็นคําตอบที่เขาตอบด้วยความจริงใจเพราะนั้นหาตัวอย่างให้เขาดูพิธีกันก็คือคนแนะนําำต้องทําให้เขาเห็นด้วยให้เขาทําความสุขตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้คนแนะนํายังเครียดอยู่เลยคนไปช่วยเหลือคนพิการใจย่างพิการอยู่ช่วยไม่ได้นะ อย่างน้อยเราไปช่วยเขาใจเราต้องมีพีการยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานใจอารมณ์ดีเราก็จะได้บุญและเขาก็มีความสุขด้วย